มูลแห่งอนุวาธาที่ก่อนอะไรเป iles, ็น <Oui> มูลแห่งอนุวาธาที่ก่อนอนุวาธมูลหกเป็นมูลแห่งอนุวาธาที่ก่อนอกุศลมูลทั้งสามเป็นมูลแห่งอนุวาธาที่ก่อนกุศลมูลทั้งสามเป็นมูลแห่งอนุวาธาที่ก่อนแม้กาย ก็เป็นมูลแห่งอนุวาธาที่ก่อนแม้วาจาก็เป็นมูลแห่งอนุวาธาที่ก่อน